มีโอกาสมาพบกัท่านพุทธบริษัทโดยท่านบูรฟังในหัวข้อที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกคราวที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะสี่ขาอคนดีอันดับที่หนึ่งคำว่าอันดับนี้ไม่ใช่ยกย่องว่าสูงกว่ากันคือเป็นข้อที่หนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ว่าจงคบแต่คนที่มีความเมตตาคือความรักยงคบแต่คนที่เขารู้จักสงสารเราจงคบแต่คนที่เขาไม่ฉาดิสยาเราเมื่อเราได้มีรอยยินดีด้วยจงคบแต่คนที่มีอารมณ์เป็นกลางยอมรับกฎระเบียบของกฎหมายและก็กดข้อบังคับของเขต แล้วก็ประเพณีนิยมถ้า <c oughs> <c oughs> หากว่าเรารู้จักคนดีประเภทนี้คบแต่คนดีประเภทนี้เราก็จะมีความสุขในเมื่อเราครบกับเขาเขาทำดีเราก็สนองความดีตอบด้วยความรักความสงสารและการไม่ฉาดิสยากันเห็นเพื่อนได้ดีเราก็โปรยยินดีด้วยพยายามสื่ษสาความดีของเขา ว่าทำยังไรเขาจริงจะได้ดีอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นคนรักษากฎหมายรักษากฎข้อบังคับรักษาระเบียบประเพณีไม่ฝ่าฝืนถ้าโลกนี้ต่างคนต่างดีแบบนี้โลกจะมีความสุขและความทุกข์ความจริงกฎหมายข้อบังคับที่มีขึ้นมาไวก็เพราะว่ากันคนชั่ว กฎครอบังคับข้อมูลคณะที่มีขึ้นมาก็กันคนชั่วระเ บ, บีย บ, บระเบียบประเพณีที่มีขึ้นมาก็กันความควมคนชั่วกันไว้ไม่ทําความชั่ ว, วเราทั้งหลายที่ยันอยู่ในขอบเขตนั้นจะมีความสุขถ้าเราดีกันเสีย จ, จริงๆแล้วต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกั น, กน ต่างคนต่างไม่ชฉาดิสหยาซึ่งกันและกันศึกษาความดีของกันและกันและปฏิบัติตามความดีนั้นต่างคนต่างมีอารมณ์ปกติขณะที่มีบุคคลใดเพี้ยงพรำก็ไม่โกรธแค้นบุคคลผู้หลงโทษลองนั่งหลับตานึกว่าโลกนี้ทั้งโลกจะมีความสุขจะเม่อโลกมีความทุกข์โลกที่รบรายข้าวฟันซึ่งกันและกัน เวลานี้มีผู้ก่อการร้ายมีผู้ก่อการดีมีอะไรต่ออะไรที่คิดกันขึ้นมาล้วทำกันขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยความรักกันอาศัยความว่าความรักกันไม่มีคิดประทุษาร้ายซึ่งกันและกันไม่รักกันไม่สงสารกันไม่หวังดีต่อกัน ถ้าว่าเรารักกันเสียจริงๆสงสายกันจริงๆหวังดีต่อกันกันจริงๆการลบรายฆ่าฟันกันในโลกมันจะมีไหมมีคนรักกันที่ไหนบ้างที่เ่าฆ่าคนรักเด็กบางคนบอกว่าสามีฆ่าปัญญาปัญญาฆ่าสามีพ่อฆ่าลกูลกลูกฆ่าพ่อพี่อยู่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 สี่วางเฉยในกฎข้งกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อการกระทำในการช่างพราดคนที่ต้องฆ่ากันเขาขาดอะไรตรงไหนบ้างถ้ารักกันเขาจะฆ่ากันไหมถ้าสงสายกันจะฆ่ากันไหมนี่ถ้าจะถามว่าที่ถ้าเขาต้องฆ่ากันเพราะอะไ ร, รกว่าไม่รักกัน ไม่สงสายกันไม่เห็นใจซึ่งกันและกันไอความเห็นใจเดิมมันหมดไปมาตอนหลังนี่สิ่งใดที่ให้สัญญากันไว้เราไม่ทําตามนั้นว่าสัญญาถ้าไม่เป็นสัญญาสัญญาหมายถึงการตกลงตกลงกันไว้ว่าเราอยู่ร่วมกันทํางานแทนกันเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้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 เราเริกสงสารกันเสร็จแล้วถ้าเรายังรักเราอย่าสงสารกันอยู่อาการอย่างนั้นมันไม่ปรากฏนี่เป็นอนุภาพถ้าเรารักกันจริงๆสงสารกันจริงๆไม่ช้าได้เสีซึ่งกันจริงๆมีอารมณ์ทรงไว้ซึ่งความดียอมรับนืบกอกดขึ้นความดีโลกนี้ทั้งโลกลองนั่งหลับตานึก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 มี่คนจะซื้อของก็ไม่อยากจะขอต่อรองในราคาเรา้ว่าท่านผู้ขายเป็นขายให้เราด้วยความรักเราก็เต้าสนอมตอบแทนท่านด้วยความรักท่านว่ามาเท่าไรก็ให้เท่านั้นของมันก็ไม่แพงเกินปกติเราก็มีจับทรัพย์สาหรับจับจ่ายใช้สอยในการตอบแทนซึ่งกันและกัน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 เมื่อประมาณของแผ่นดินที่ก็มีไว้ก็ไว้เพื่อใช้คนที่มีความเป็นอยู่ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อว่าอะไรมันขาดแคลนอย่างน้าไม่ขาดก็ช่วยกันสร้างชนไปทายขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีหนหน้าฝนไม่มีก็ออกสร้างจะเอาลงทนทําฝนเทียม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 เพราะจ่ายเงินเปล่าก็หมายถึงการจ่ายเสียภาเสียก่อนต้องจ่ายออกไปทํัทงา ท, ที่เราทำของเราได้โดยเฉพาะเพราะว่าเสียกาษี น, นี่ต้องไปจ้างคนเข้ามาควบคุมเราแต่คนที่เราจ้างมาควบคุมเรานี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเราไปจ้างคนดีมาเราก็มีความสุขแต่เราจ้างคนไม่ดีมันก็มีความทุกข์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 ให้เงินดาวให้เงินเดือนอเอาเสียภาษีเอก่อนให้เขาแต่เขาไปมีตำแหน่งหน้าที่เขาเขายังละเมิดกฎหมายเสียเองอย่างนี้ก็มีทมไปตำหน้าข่าวข่า ว, าวหน้ากระดาษทั้งซื้อพิมพ์นิติโลกมีความทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าข่ายการรั ก, ข า, ก, ารรกขายการเมตตาปราณีสงสารสงเคราะห์สิ่งกนันละกันไม่ยอมรับเนื้อนับถือกฎข้อบังคับที่วางไว้ แล้วเราจร้างเขาไปทำไมที่เราต้องจ้างเขาก็เพราะว่าเรามันงโง่แล้วใครจะด่าย้อนมาจดหมายด่าม่ก็ได้ตามใจเธอะถ้าชาวโลกไม่งโง่รักกันทั้งหมดสงสายกันทั้งหมดช่วยเหลือกันทั้งหมดไม่ต้องไปจ้างเง้นงบประมาณต่างๆไม่ต้องเสียไม่ต้องใครมีความเหมีใครมาควบคุม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 ก็ทําเขตกักน้ํากันน้ําทดน้ําไว้เฉพาะในเขตของตนแต่ละเขตแต่ละเขตต่างคนต่างก็ช่วยกันทํามันจําจะต้องซื้อเงินเสียค่าวัตถุเราก็ช่วยกันเสียแรงงานไม่ต้องเสียช่วยกันทําทุกอย่างตามความสามารถที่เพิ่งทำได้ได้อย่านี้จต้องไปเสียเงื่ประมาณให้ใครไหม เรื่องโจรผู้ร้ายไม่ต้องปราบปราบทําไมรารักกันสมบต์แล้วมันจะมีโจรจะมีผู้ร้ายที่ไหนต่างรักกันต่างมีความสงสารกันก็ไม่ต้องจับปราบโจรไม่ต้องปราบผู้ร้ายเป็นอันว่าถ้าโลกเกลื่อนโกนกันอย่างนี้ถ้าใครป่วยใข้ไม่สบายก็ช่วยกันรักษาพยาบาลอะไรก็ตามที่มันเป็นความเจริญของท้องถิ่น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 หรือว่าอะไรก็ไปราบที่เข้าป่าเข้าดงกันแต่ธรรมทูตในบางจุดก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันทูดทูดไปเฉลื่อยถึงเดือนก็ไปพูดทีพูดเปล่าเปลาเปาปาปล่าแล้วก็กลับธรรมทูตแบบนี้ไม่มีผลสู้พวกที่เขาส่งเขาไปในป่าดงพงไพรไม่ได้นี่คนในเขตพระพุทธศาสนาคือพระ เห็นตั้งไว้ทังสองเขตสำหรับธรรมทูต ท, ที่เขตที่ไปพูดกับชาวบ้านแล้วก็กลับขอบประธานอภัยเถอดดีไม่ดีท่านธรรมทูตเองนะท่านก็หลอกใครแต่ใครยับเยืนแบบืี้กันถามันหลอกใครก็บอกเนี่ยคนพูดเนี่ยโดนมาแล้วโดนธรรมทูตเรียกไปชมพักพวกต่อต้านอะไรก็หลายอย่าง อย่าพูดไปเลยมันหลายอย่างต่ธรรมทูตบางคนนะไม่ใช่ทุกคนกว่าเป็นอวัคาณะธรรมทูตคณะหนึ่งอาจจะเป็นสี่ห้าท่านแต่ท่านหนึ่งในจำนวนนั้นต่อต้านในด้านส่วนสาธารณะประโยชน์มีโดนนี่เป็นอาวัตตั้งไม่เป็นในคนตั้งเขาศักวะตั้งเหมือนกัน นี่ก็ต้องไปดูคนตั้งโดวยว่าคนตั้งมีทัศน์อะไรธรรมยังตั้งแบบนั้นไม่มีหลักการในการตั้งแต่ว่าธรรมะโทษ ท, ที่ท่านดีก็มีเอาเรื่องเอาเรื่อง เ, อเรื่องดีๆกันแล้วต้องมีความฉลาดด้วยการแต่งตั้งการช่วยเหลือในในเขตของมุตทธศาสนาตัวอย่างเช่นพระพุทธโคสอาจารย์วัชรพยา เวลานี้ท่านไปตั้งสถานที่หน่วยอบรมประชาชนกะมีการกำหนดไว้ว่าถ้าโอกาสของท่านมีเวลานี้ท่านก็แก่มากแล้วเพระว่าจะตั้งให้ทั่วทุกตำบลในเขตของประเทศไทยให้บรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่มีความดีให้ความเข้าใจกับบรรดาท่านพุทธบธริษัท อย่างนี้เป็นการการกทำตามแผนการให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันให้รู้หลักการในกา ร, ป, รปฏิบัตินี่หมีกด้านหนึ่งจเจนว่าพระในเค ข, ของพระพุทธศาสนาช่วยกันในด้านการศึกษามากในสมัยโบราณผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นใหญ่เป็นตัวมาจากวัดแม้แต่พระมหากษัตริย์สมัยก่อนก็มาจากวัดเหมือนกัน อาวัดเป็นมหาวิทยาลัยส้างสอนกันวัดเนี่ยสอนทั้งสองอย่างสอนทวิชาความรู้แล้วก็สอนทั้งความประพฤติคนไม่มีวิชาความรู้ดีแต่ว่ามีความประพฤติไม่ดีก็ใช้ไม่ได้โลกมีความทุกข์กลับอวิชาความรู้นั่นแหละไปทำลายความสุขของเพื่อนร่วมชาติเพื่อเพื่อนร่วมโลก ดีไม่ดีก็ทําลายความดีประหัสประหารคนที่มีคุณอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนี่มีมากฉะนั้นการศึกษาที่ออกมาจากวัดจึงได้มีทั้งความรู้และมีความประพฤติดีถ้าจะถามว่ามีใครบอกว่าเยอะที่ท่านรู้จักอย่างพ่อคุณรามคาแหงนี่ความรู้มาจากวัดที่เรานิยมท่านวัน ด, ดี ยานพระนารายมหาราชพระนเรศูนมหาราชพระเอกาทศรสพระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกไม่ว่ารัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หอะไรก็ตามสมัยนั้นทุกท่านมีความรู้มาจากวัดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ห้าพระราชโอรสของพระองค์จะต้องบทเนร ถ้าหากว่าจําไม่ผิดโอกาสที่จเพิ่งมีโดวย่ว่าจะต้องบทเนนบทพระทั้งหมดเป็นอันว่าสมัยก่อนคนมีความรู้น้อ ย, อยกว่านี้เราไม่เคยไปเรียนต่างประเทศไม่มีมหาวิทยาลัยเรียนกับมันได้จากสราวัตรแต่ก็สามารถสร้างประเทศไทยให้ใหญ่โตได้ แล้วก็ทำประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ว่าเวลานี้คนมีความรู้มากมากกว่าสมัยนั้นเรามาดูถึงความรุ่งเรืองกันถ้าเราเอาคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้มาเทียบกันว่าคนสมัยนั้นมีความรู้น้อยบรรดาบรรดาประชาชนก็น้อยกิจการงานที่จะทาเงินก็น้อย และ ว, ว่าความสุขเขามีมากและ ว, ว่าความสุขเขามีน้อยในด้านการยุติการสงครามเราเป็นประเทศที่ถูกลุกรานเรื่อยมาแรวทั้งๆทงี่เรามีเป็นคนที่มีกำลังน้อยสรัพยา ก, ก็ น, น้อยทรย์สิ่งก็ น, น้อยแต่ว่าเรายานะสาเอาตัวรอดอย่างสมัยพระเจ้าคุณรามคาแหง เวลานั้นเรามีคนไม่กี่แสนคนนับตั้งแต่เด็กเกิดใหม่ไปถึงคนแก่ใกล้จะตายแต่เราก็สามารถขยับขยายเขตของประเทศไทยไปกว้างขวางแล้วคนก็มีความมั่งคั่งสมบูรณ์จนดูได้จากทรัพย์สินต่างๆเรียกว่าท้าวลวัตถุในการก่อสร้างมีความรุ่งเรืองมาก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 ถ้าพ้นดีมาจากไหนพ้นดีก็มาจากชาวบ้านช่วยกันรู้จักว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนข้างตัวเพราะเงินนอกเหนือจากที่รัฐบาลจะให้เป็นเงินที่ชาวบ้านช่วยกันว่าต้องสร้างขึ้นมาเพื่อลูกคนหลานของเราจะได้มีวิชาความรู้แล้วก็โรงเรียนหลังนั้นนั้นจะมีรายละเอียการดูแลจะกรรมการโรงเรียน อะไรมียาเสียหายลงไปบ้างซดสมไปบ้างเขาก็ช่วยกันแก้ช่วยช่วยช่วยกันซ่อมช่วยกันทำนี่อย่างนี้ถ้าถอยหลังกันลงไปจะเห็นว่าคนในเขตพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยประเทศช่วยโลกช่วยประชาชนในสมัยปัจจุบันนี้การสร้างโรงเรียนก็ดีสร้างสุขศาลายก็ดีสร้างโรงพยาบาลก็ดี และทำถนนทุนทางในเขตสั้นๆที่ไม่เกินวิสัยเฉพาะในตาบล น, นั้นๆถ้ารัฐบาลจะลองดูว่าขอให้บรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาชี้แจงเหตุชี้แจงผลให้บรรดาประชาชนช่วยกันสร้างความเจริญในท้องถิ่นจะลองดูถ้าอะไรมันไม่ เกิดไปการเกินมีสัยให้ทุนครึ่งหนึ่งในการให้ทุนครึ่งหนึ่งก็ตั้งเกี่ยวกดตั้งเกณฑ์ไว้เหมือนกับการสร้างโรงเรียนสมัยหนึ่งว่าถ้าให้ไปแล้วกิจการงานส่วนนั้นจะต้องสําเร็จเรียบร้อยภายในปีนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าทําไม่สําเร็จจะต้องมีโทษใช้เงินคืนเพียงเท่านี้ลองดูก็ได้ ว่าคนในเขตของพุทธศาสนาที่รับคำแนะนำรับรองคำสอนองค์สมเด็จขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขาจะปฏิบัติกันได้ไหม <c oughs> ถ้าทำกันอย่างนี้ความเบาใจของรัฐบาลเขาจะเพิอมมีการใช้ใจ่ายมันก็ลดไปถึงห้าสิบเปอร์ซนแล้วก็ขอประานโทษว่าคนของรัฐบาล เวลาที่จะมาตรวจงานกรุณาส่งคนดีมาด้วยช่วยส่งคนขี้อายมาแล้วก็ส่งคนกลัวมาผลงานจะสมิ์ผลจะทำให้ประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายลดง็บประมาณไปครึ่งหนึ่งทุกๆอย่างตามที่ต้องการอาลวันสำหรับบรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านเวลาวันนี้มันก็หมดเส็จแล้วนี่สำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลก ในเมื่อเวลาหมดก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี